أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله رحمن ا ل رحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا, ول ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشرح لصدري ويست لأملي وحلا ا ل أ ب لساني ي ف ك و كلي رب زدنا إ ل م ا ن ا ف ع ا وإسكان طيبا وعملا متقابلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับโพราอัลลอฮฺสุบบะฮาหนุตราได้กล่าวไว้ในสุรละอาลาที่ว่าวลัยทุรุคอยรู้ว่าเบกาะแน่นอนโลกหน้านั้นดีแล้วก็อยู่อย่างตลอดไปวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหลักสําคัญข้อค้อนของมุสลิมแล้วหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องของความสําคัญของการศรัทธานในโลกหน้าเราก็ได้พูดคุยกันแล้วว่านั่นคือกุญแจที่สําคัญ มากมากเลยนะครับดอกหนึ่งที่ทําให้มุสลิมเรานั้นใช้ชีวิตในสภาพของมุสลิมประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะให้มันเหมือนกับคนที่เรานั้นเห็นโลกหน้านั้นสําคัญใช้ชีวิตยังไงให้เหมือนกับผู้ที่เชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงเพราะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่ามุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าโลกหน้าไม่มีจริงหรือใช้ชีวิตเหมือนเขาไม่เชื่อว่าโลกหน้านั้นมีจริง เพราะว่าหลายครั้งที่เราทุ่มใหกับดุนยาหลายครั้งที่เราให้ความสละ ก, กับดุนยาหลายครั้งที่เราตีโพยตีพายกับเรื่องของดุนยามากเกินกว่าความเป็นจริงเพราะนั้นครับวันนี้ชาวเราครับเราก็จะมาะพูดคุยกันนะครับดูแบบอย่างจากท่านอับซุลเบี๊ย์วาสราสัมจากแบบอย่างของชาวซาลับบรรดาซาฮบะแล้วก็ผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายนะครับว่าท่านทําตัวอย่างไรซึ่งเราก็จะเข้าใจว่านี่แหละคือคนที่เชื่อมั่นในโลกหน้าเพราะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าทํา ตัวอย่างไรให้เหมือนกับผู้ที่เชื่อมั่นว่าโลกน่ามีจริงครับเพื่อเป็นการตรวจสอบตัวของพวกเราทุกคนเริ่มจากตัวผมเองแล้วก็ตัวของพี่น้องแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไปกุญแจสําคัญครับที่ว่าเรานั้นจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้นะครับมีทั้งหมด3ดอกด้วยกันครับพี่น้อง3ดอกที่เป็นกุญแจสําคัญที่มันจะทําให้เรานั้น เป็นเหมือนกับผู้ที่เชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงมีกุญแจยอยู่สามดอกดอกแรกครับประการแรกก็คือผู้ที่เขาเชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงนั้นเขาจะต้องใช้มาตรฐานของโลกหน้าในการตัดสินต้องใช้มาตรฐานของโลกหน้าในการตัดสินเขาจะตัดสินว่านี่คือเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องที่ทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องมีความสุข นี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่มีความกังวลหรือนี่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องน่าเสียใจหรือน่าเสียดายเขาจะไม่ใช้เกณฑ์ดุญยาในการตัดสินแต่เขาต้องใช้เกณฑ์ของอาเคในการตัดสินยกตัวอย่างครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์อาจจะเกิดการสูญเสียพี่น้องอาจจะถูกทดสอบหนักมากๆเลยก็คือสมมติอาจจะแ ข, ขขแขนขาดไปข้างหนึ่งแขนขาดไปข้างหนึ่ง อารมณ์ที่เราควรจะมีกับการแขนขาดในอินทรีลาวินาวจูนะครับการสูญเสียเป็นสิ่งที่อันตรายของรักคุ้มของพวกเราแต่ตอนนี้เราจะมายกตัวอย่างว่าพื้นฐานการมองโดยใช้ดุนยามองกับอารคโรมองนั้นจะต่างกันยังไงถ้าใช้ดุนยามองเมื่อแขนขาดปุ๊บมันจบแล้วพอดุนยาฝีทั้งหมดถูกไหมครับผมเมื่อแขนขาดนี่คือฉันทําอะไรไม่ได้อีกตั้งมากมายชีวิตฉันจะอยู่ไงต่อไปฉันจะต้องเป็นภาระความสุขที่ฉันเคยมีฉันต้องกลายเป็นคนพิการฉันฉันฉันฉันฉัน ถ้าใช้ดุลยาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยก็จะมีความเครยียดความเศร้าความกลัวความโกรธจะมีอะไรอยู่มากมายในนั้นแต่ถ้าเราใช้เกณฑ์อัคระในการตัดสินแขนขาดเกิดการสูญเสียอินนาริแล้ลวอินเอร์จุนเจ็บปวดทรมานแน่นอนมันมีเป็นปกติของมนุษย์แต่ว่าการสูญเสียนี้บอกอะไรเราการสูญเสียนี้ทําให้เราคิดอะไรโลกนี้คือโลกแห่งการชั่วข่าวเหมือนกับคนบางคนพวกเลือดเตือนให้เป็นโครคภัยไข้เจ็บปุ๊บ นี่คือการเตือนให้รู้ว่าดุนยาเดี๋ยวฉันก็จะจากมันไปเขามีความสงบได้ไหมสงบได้มีความสุขได้ไหมมีความสุขได้ด้วยเพราะบอกคนก็จะมองว่าโลกหน้านั้นเป็นร่างกายที่จะไม่มีการสูญเสียสูญเสียในโลกนี้ดีกว่าสูญเสียในโลกหน้าเยอะเลยเพราะนั้นอวัวล้อให้ฉันสูญเสียในโลกนี้อ้วัวล้ออย่าให้ฉันต้องไปสูญเสียอะไรอีกในวันโลกหน้ามีความสุขหรือไม่มีความสุข พุทธาสก็จะมาเลาะสร้างฉันมาให้มีร่างกายมีแขนขามีตั้งรวมทั้งหมดเดี่ยวเป็นวิวาที่เดินใช้ประโยชน์มีตั้งสี่พวกเราให้มาตั้งสี่เหลือสามก็คือฉันยังได้อีกตั้งสามฉันยังได้อีกตั้งสามมองนี้มีความสุขได้ไหมมองนี้ก็มีความสุขได้เพราะนั้นครับกุญแจดอกแรกครับที่ต้องขอฝากพี่น้องฝากตัวผมตัวผมเองก่อนตัวผมก็ต้องคิดให้ได้แล้วก็ฝากพี่น้องที่ผม รักนะครับว่ากุญแจที่สําคัญดอกเนี่ยพี่น้องต้องต้องให้ความสําคัญกับมันมากๆก็คือทําการที่เราต้องตัดสินทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยใช้มาตรฐานของโลกหน้าเอามาตัดสินตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับในคําพูดของท่านอับดุลเบี๊ยมัสรอส ร, รมคําพูดประโยคนึงซึ่งผมว่ามันจะทําให้เราเห็นภาพขึ้นท่านอับดุลเบี๊ยมัสรอส ร, รมบอกว่าเราตระลมูนามาอาลัมลดาดฮิกตุมกาลีโลวั ล, วลบาไกตุมกาสีรอ ท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมัสลิมรู้ว่าหากพวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้พวกท่านจะหัวเราะกันน้อยลงแล้วก็จะร้องไห้กันมากขึ้นท่านอับดุลเบี๋ยมอัลมัสลิมรู้อะไรรู้เรื่องโลกหนารู้ว่าอะไรรอเราอยู่รู้ข้อเท็จจริงของดุลยารู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะขาดหายไปหากพวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้ท่านจะหัวเราะน้อยลง แล้วจะร้องไห้มากขึ้นบางคนบอกไม่เคยร้องไห้เลยนอกจากไปเรื่องดุนยาเท่านั้นจะร้องไห้อย่างเดียวคือต้องเป็นการสูญเสียในดุนยาสูญเสียอัคระเขาไม่เคยร้องไห้ไม่ละหมาดไม่ร้องไห้พาดจากการทำฮัทไม่เคยร้องไห้พาดจากการทำอุราะไม่ร้องไห้พาดจากการถือสวดถือสวดไม่มีคุณภาพไม่เคยร้องไห้ไม่ได้บริจาคไม่ร้องไห้จะร้องไห้ปุ๊บอาจโดนหักอกโดนใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยมาหักอกหรือโดนใครไม่รู้โกงหรือโดนใครทำร้าย นี่คือต่างกันเลยไหมพี่น้องคนที่ตัดสินมาตรฐานชีวิตด้วยกับอาชีระกับตัดสินชีวิตด้วยกับดุนยาต่างกันเยอะท่านนบบีที่พูดนี้เห็นภาพชัดเจนเลยพี่น้องหากคนรู้เหมือนฉันรู้คุณจะหัวเราะน้อยลงทุกวันนี้เราหัวเราะมากแค่ไหนหรือว่าเราวิ่งไล่ตามความสุขของดุนยาแค่ไหน <c oughs> ขอมาเปลี่ยนอันนี้คือประเด็นที่เราต้องมาดูว่าหัวเราะน้อยลงร้องไห้มากขึ้น เราอยู่ในกลุ่มประเภทไหนอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินง่ายๆเนี่ยว่าเราใช้มาตรฐานในในการตัดสินในการดำเนินชีิตของเราตัวอย่างที่อยากจะยกมาครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึงของบราระเซของสราบาบ้างของท่านโอเมดบิลหามามพี่น้องนี่จะจำได้ที่เราได้คุยกันคร่าวๆกันไปในขั้นก่อนถ้ามาดูในสายรายงานเต็มๆนั้นพี่ไกรมาลุสลิมนะครับผมท่านอมีส์ปินหามามเนี่ยเป็นสราบาที่ว่าอยู่ในช่วงสงครามบาดัดอย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วซึ่งเมื่อท่านอับดุลสลามได้ยิน ได้พูดขอมาครับท่านอบีได้พูดได้เชิญชวนมาราซอบา้าบอกว่าปะเราไปสวรรค์กันจงรูก้กันเถิดเพื่อวิ่งเข้าไปหาสวรรค์กันตอนนี้กำลังจะเกิดอะไรครับกำลังจะเกิดสงครามพี่น้องกำลังจะเกิดสงครามคนแทบจะทุกคนเข้าร่วมสงครามเขามาีความหวังว่าเขาจะได้มีชีวิตรอดกลับมาเพื่ออยู่กับคนที่เขารักแต่นี่ท่านบีเรียกร้องว่าไงครับปะ เราไปเข้าสวรรค์กันเสมอภูมิสงคารามนคือสวรรค์สงคารามไม่ใช่สงคารามศักดิ์สิทธิ์สงคารามไม่ใช่สิ่งที่อิสลามเรียกร้องให้คนต้องทำสงคารามไม่ใช่แต่นี่คือการเสียสละมันต้องมีการเสียสละแล้วหมายความว่าในยามปกติมุสลิมเรารักความสันติแต่ถ้าจำเป็นต้องเสียสละเราก็พร้อมที่จะเสียสละแอนนบีก็บอกไงครับะไปเข้าสวรรค์กัน ที่ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นครอบลุ่มฟากฟ้าและแผ่นดินนี่คือมุมมองแบบผู้ที่เชื่อโลกหนาถ้าเชื่อโลกนี้จะเป็นไงครับก็แบบนี้ที่พ่อรักกล่าวไว้ในกุนในหลายที่หากคุณอยู่กับเราคุณก็คงไม่ตายแบบนี้หรือเราอยู่แบบนี้ปลอดภัยกว่าหรืออะไรก็ตามทั้งที่เขาจะพูดคือต่อให้เขาอยู่ในบ้านเขาก็ต้องตายร่วสมสงครามเขาก็ต้องตายเขาไปเที่ยวเขาก็ต้องตายเขาไปตลาดเขาก็ต้องตายย่างเงินก็ต้องตาย แต่นี่คือมุมมองของมุสลิมกับมุมมองของผู้ที่ไม่เชื่อในโลกนั้นเมื่อท่านนาบีอุษสัมบอกไงครับปะเราไปเข้าสวรรค์กันบรรดาซาลาบาครับเมื่อท่านนบีบอกปุปกพร้อมเลยส่วนถ้าดูเมตที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยท่านก็ถามนาบีกันว่ายัากรู้ว่าสวรรค์ใหญ่ขนาดนั้นได้เหรือ <c oughs> คือท่านก็เห็นท้องฟ้ามาตั้งแต่เกิดก็เห็นท้องฟ้าเห็นความใหญ่เห็นแผ่นดินใหญ่พอท่านนบีบอกบอกแค่เนี่ยสวรรค์นเนี่ยความใหญ่โตนี่ ฟากฟ้าและแผ่นดินใหญ่กว่าฟากฟ้าและแผ่นดินท่านก็บอกมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอท่านอบิอุลาซารบอกว่าใช่ใหญ่มากเดี๋ยวไม่ได้อธิบายถึงความผาสุกในส่วนว่ามีอะไรบ้างแต่ซอบ้าเข้าใจท่านจินตนาการท่านรู้ในระดับหนึ่งเท่าที่ท่านจะคิดออกพอท่านได้ท่านอาบิอุสพูดท่านนาบิก็บอกว่า บ, บุท่านก็บอกว่าทำไมคุณถึงพูดบุกบุกล่ะเขาบอกว่า ผมหวังเลวเกินว่าผมจะได้เป็นชาวสวรรค์ผมอยากเป็นชาวสวรรค์ผมอยากได้สวรรค์อันนี้คือกาลังจะสู้นะพี่น้องกำลังจะสู้เขาไม่ได้บอกว่าผมอยากรอดตายเรื น, นี้ทาให้เห็นความชัดเจนว่าผู้ที่เชื่อในโลกหน้ากับผู้ที่ไม่เชื่อในโลกหน้าจะมองยังไงผู้ที่ไม่เชื่อในโลกหน้าเขาจะไม่อยากตายเขาจะหนีจากความตายเพราะเขากลัวที่จะตา ย, ตายกลัวที่จะจากโลกนี้ไปเพราะเขาไม่รู้ว่า หลังความตายเป็นอย่างไงนี่คือผู้ที่มีเชื่อในโลกหน้าซึ่งพวกเราหลายคนก็ยังกลัวความตายอยู่ใช่หรือไม่สว บ, บ้าเมื่อได้ยินครับเขามองถึงโลกหน้าไงปะเราไปเผชิญกําลังเผชิญหน้ากับอันตรายไม่ได้เรียกร้องที่จะมีชีวิตแต่รู้ว่าจะได้ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันคือความจริงคือชีวิตที่แท้จริงเขาก็บอกว่าผมอยากเป็นชาวสวรรค์ ท่านนบีมสุสลิมซามก็พูดแหละครับว่าฟาอินนักมินอัลฮิฮะคเป็นชาวสวรค์คือผู้ที่เสียชีวิตตายชีดในสงครามบาดัตเนี่ยพวกลอรับรองว่าพวกท่านเหั้นเปชาวสวรรค์หมดเลยนี่คือความประเสริฐ ข, ของผู้ที่ตายชีดในสงครามบาดัตซึ่งพวกลอรับรองเมื่อท่านนบีมสุสลิมซมได้พูดประโยคนี้คุณเป็นชาวสวรรค์คุณเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ ท่าอุเมศครับท่านไม่ได้คิดว่าโอ้นฉันต้องตายหรือนีฉันต้องตายเลยแล้วลูกหลานฉันเป็นไงครอบครัวฉันจะอยู่ยังไ ง, ฉ, ง, ฉ, ง, งฉันต้องทำนี้ทำนั้นทํำนี้ไม่เลยเขารู้แล้วว่าพวกเรามาจากอาลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลพวกเราต่อให้เราไม่อยู่อัลลอฮก็ เ, เป็นผู้ที่จะดูแลคนที่อยู่ภายหลังเราเมื่อเขารู้เมื่อเขาพร้อมเขาบอกว่าไงครับผมอยากเป็นชาวสวรรค์แล้วเมื่อเขาอินอนัปหลำที่กำลังจะกินเนี่ยเขาไม่ยึดติดกับดุลยายาเขารู้สึกว่าไงครับ มัวแต่นั่งกินมัวแต่นั่งเคี้ยวหนึ่งนาทีสองนาทีมันมันมันนานเกินไปมันนานเกินไปมันช้าเกินไปของเราถ้ามีชีวิตอยู่อยากกินของอร่อยเราดั่งเดินเดินทางบางทีเราเดินทางเป็นร้อยร้อยกิโลบางคนเป็นพันกิโลเพื่อที่จะไปกินอาหารที่เขาอยากจะกินเพื่อที่เขาจะได้กินของที่อร่อยเพื่อที่เขาจะได้สนุกกับดุนยาเพิ่มเพื่ออีกนิดหน่อยแต่นี่ซาบาชเชลินซาบาปุสเกีต แค่จะกินอินทาราีลำยังรู้สึกว่ามันนานไปคือท่านบีแบบชวนไปสวรรค์ก็ว่าป้าเราไปที่ที่มันเป็นของจริงเราไปเจอความสุขกันเขาก็เลยรู้สึกว่าอาหารที่กินเนี่ยมันมันเป็นตัวถ่วงเขาอะพี่น้องคือเมื่อแต่กินเนี่ยมันเสียเวลาเขาบอก La i อินอ hayaitu h a t ء ตัว u ت ى آ a ل a تمارتي هذه إنها لا حياة تون تاوي แหะท่านอูเมตบอกว่าไงครับหากชันเนี่ย รอจนกว่าจะกินอินทรพลัมให้หมดเนี่ยมันเป็นช่วงเระยวเวลาที่ยาวนานเกินไปสุปภาน้ำวะมันเป็นช่วงระยวเวลาที่ยาวนานกันนานเกินไปทั้งที่ร่างกายหิวี่แล้วเวลาหิวมากต้องหากินก่อนถูกไหมครับต่อให้มีงานมีอะไรเราก็มองว่าถ้ามันหิวจัดๆหิวสุดๆเนี่ยขอให้ฉันได้กินคอใฉันมีความสุขที่เป็นอาหารเลือดหรูยิ่งดีแต่นี่คือมันเสียเวลาจะกินเนี่ยมันเสียเวลา เราจะพูดก็ต่อเมื่อเรามีอะไรที่สําคัญกว่าในดุนยาใช่ไหมครับเราจะพูดประโยคเนี่ยมัวแต่กินเนี่ยเสียเวลานู่นเขากําลังแจกตังอยู่เดี๋ยวก็พลาดไม่ได้ตังที่แจกตรงประมาณเนี่ยอันนี้คือจะรีบไปคือจะทิ้งอาหารทันทีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีดารามีคนที่เธอปื้มเนี่ยกำลังมาแต่เธอมัวกินอยู่แล้วอันนี้คือเราพร้อมทิ้งอาหารเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นดุนยาใช่หรือไม่เพราะเราไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นคําถามนะครับ ในขณะเดียวกันครับนี่คือบรรทัดฐานซึ่งอย่างที่เราทราบก็คือท่านอูเมะท่านก็เสียชีวิตในสงครามบาดัสนั้นก็เป็นช uh ูฮะบัดดั้ก็เป็นผู้เสียชีวิตในสงคราม บ, บัดั้ท่านก็รอเข้าสวรรค์เลยไปทางตรงรอเข้าสวรรค์ไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนพวกเรามีใครสักคนมองบ้างเขาว่าชีวิตในดุนยาเสียเวลามีใครมองได้อย่างรหรือเปล่าหรือเรามองโดยใช้บรรทัฐานของดุนยาว่า ถ้ามีทรัพย์สินนะคนคนนี้น่าอิจฉาคนนี้ได้เที่ยวทุกวันเลยอ่าคนนี้ได้มีลูกหลานที่ดีคนนี้มีคู่ครองที่สวยคนนี้มีคู่ครองที่หลอ่อคนนี้มีอำนาจคนทำไมดูน่าอิจฉาไปหมดเลยคนนี้มันดูดีคนนี้มันน่าอิจฉาเพราะเขาาวในกุขัสกัสสุขัสกัสสุขัสกัสสุขักัสุขัสกัสสุขัสกัสสุขัสกัสสุขัสกัสุขัสกัสสุขัสกัสสุขัสกัสสุขัสกัขักขขัสสุกัสสุขัสกัสส เพราะหลายครั้งครับเรามองครับคนบางคนเนี่ยไม่สนใจศาสนาเลยแต่พอมีความนั่งรวยพอมีอํานาจปุ๊บโอ้คนนี้ดีเนาะดีเนาะเอาอะไรในการตัดสินว่าเขาดีเพราะเขามีอํานาจเอาอะไรมายอมรับเขาเพราะเขารวยเอาอะไรมายอมรับเขาเพราะดูเหมือนเขาจะมีอํานาจนี่คือการเอาดุลยามาตัดสินแต่พวกเราบอกว่าไงครับ อย่าได้ไปหลงหใหลได้พื่มกับทรัพย์สิน okay. ของเขาของเขาด้ไม่ใช่ของเราเลยนะอย่าไปหลงใายได้พื้มกับทรัพย์สินของเขาหรือลูกหลานของเขาเพราะเราต้องการที่จะลงโทษเขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องมมองกลับตาลปัดเลยพี่น้องคือต้องบอกว่าเกมกลับแหละพี่น้องพลิกเกมแลยแทนที่เราควรจะมองว่าน่าอิจฉาเนาะเพวกเราบอกว่าอย่าไปหลงใหลได้พื้มเลยเราต้องการลงโทษเขาด้วยกับมัน พอยิ่งเขามีมากเขายิ่งลุ่มหลงกับดุนยาเขายิ่งคิดว่ามันถูกเขาจะแทบไม่มีทางที่จะกลับเนือกับตัวแล้วเขาก็จะลุ่มหลงอยู่กับความชั่วร้ายของเขาและนี่แหละคือการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดแล้วในดุนยาการลงโทษในดุนยาที่เจ็บแสบไม่ใช่การสูญเสียนะพี่น้องแต่เป็นการได้พี่น้องการสูญเสียหลายครั้งทำให้เราคิดได้การสูญเสียหลายครั้งทำให้เรามีสติการสูญเสีย หลายครั้งทำให้มุสลิมที่หลงทางนั้นกลับมาสู่ศัจรธรรมแต่ว่าการมั่งมีเนยพี่น้องความมั่งมีความสดกสบาย <c oughs> อันนี้ต่างหากที่ว่ามันเป็นการลงโทษที่น่ากลัวโดยเฉพาะคนที่มีแล้วลืมอัลลอฮ แล้วเขาคิดว่าเอาลอรักเขายกย่องเขาเหนือคนอื่นแล้วก็ขก่มกระดิ่งที่ต่ำต้อยกว่าอินนะม่ยูรีดุลลอฮูดิอัลติบะฮุมบิฮะฟิลฮียาติดุนยาอัลลอฮ์ต้องการจะลงโทษเขาด้วยกับทรัพย์สินกับลูกหลานเขาตั้งแต่ในดุญยาวัตัสฮะก้องฟุซุมบะฮุมกาฟิดุลให้ลุ่มเหลาไม่ลุ่มหลงให้ยึดติดในสภาพที่เขาเป็นผู้ไปไปเสดสตา ฉันเดียกันครับในสระอาริโรอนรครับวลาอย้วก็รันนีกยต่คลบุญเลี้นี่ยเขาฟื้นฟิลไปมาถาอุนกลกลิ่นลุนทุ่มมาม้วาหุมเช้านะม้ว่บิสันยินะครับเฝก่าวังไงครับแล้วเจ้าอย่าได้ไปให้ความสำคัญหรืออย่าได้ให้การหลงผิดของใครสักคนที่เป็นผู้ไปเสดสัทธาเนี่ยมาทำให้เจ้าค่อยเๆไปได้ บางทีอาจจะค่อยคยเองหรือว่าที่เขาทํามันถูกเองหรือว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีเออทาไมเขาถึงได้ดีบางทีเราไปเห็นภาพเหล่านั้นเราเขี้ยวมันดีเพราะก็บอกเลยครับมตตา อ, อุ่นกอลีรุ่นมันเป็นเพียงเสเบียงเล็กน้อยที่เขาได้เราจะเห็นคนเป็นเจ้าของรถหรูรถไฟฟ้ารถใหม่ล่าสุดเป็นสิบกว่าคันโอ้ดูแล้วก็ดูได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งก ท, ท, ที่ไม่ใช่ของเรา บางทีไปดูบรดาคาเฟ่เนี่ยคนนั้นรวยคนนั้นมีแฟนสวยคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนคู่ครองอีกแล้วคนนั้นอนันอีกแล้วมาดูไปลงไหลได้เพิมคนเราบอกอย่าให้คนเหล่านั้นมาทำให้เราเฉยๆฉไปได้เพราะเขาได้เพียงแค่สเสบียงเล็กน้อยแล้วที่ํำนักของเขาคือไฟนรกแล้วมันเป็นที่กลับไปที่เลวร้ยวายที่สุดแล้กินอินเดีนตีติกเราบบบุมละุมช น, นันีมินตะะลอันหารวาย โนซูลามินอินดินลาฮิวมาอินดะลอยคอยรุ่ลิลอับารอดแต่ถ้าว่าผู้ที่มีความสำรวนต่อนายของเขาเขาจะได้สวรรค์ที่มีทานน้ําไหลผ่านอินตาลการไม่ออกพี่น้องถึงบ้านที่ใหญ่โตโมโหฬารพระรสว่างที่มีทา น, น้ําที่มันไหลยอยู่ใกล้ๆแล้วมีแต่ความผาสุกไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าไม่มีความเสียใจไม่มีการสูญเสียไม่มีความหวาดกลัวอะไรอีกมันจะขนาดไหนวะเราบกครับคอดีเรฟีฮะ เขาใช้อยู่นั้นตลอดการนูซูลามินอินดินแลเป็นที่พักที่พำนักที่อยู่อาศัยที่ผู้ละติเตรไว้ให้วะมาอินเดลเลยคอยรู้ลิลอัลลอฮสิ่งที่อยู่ที่น้าที่อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ดีพอผู้ละติเตรียมไว้สองอย่างเรารู้ใช่ไหมครับเตรียมให้สําหรับคนที่ดีกับเตรียมให้กับคนที่ไม่ดีสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตะลาเตรียมให้กับคนที่ดีนั้นเกินจินตนาการพี่น้อง ไม่มีความเศร้าไม่มีความทุกข์ไม่มีการเสียใจไม่มีการสูญเสียไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทรมานมีแต่ความสุขมีแต่ความดีใจมีแต่ความเอ้มีแต่ความสบายอกสบายใจดูตรงไหนก็สบายหูสบายตามีแต่สิ่งที่ดีงามเกินจินตนาการซึ่งเราไม่พานจินตนาการได้เพราะตอนนี้ดุนยามันมีแต่ความทุกข์ซึ่งเรามองไม่เห็นซึ่งเรามองไม่เห็นพี่น้องที่รัก มาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินเนี่ยพี่น้องมาดูตรงนี้ในเรื่องของอามบุคอารีเนี่ยจากท่านซาบินะอัสซาอิดีเนี่ยรอยโลอันหูนะท่านกล่าวว่าไงครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนนึงผ่านท่านลบีวสะสลุลแลมไปมีชายคนนึงผ่านลบีไปท่านลบีก็ถามคนที่อยู่กับนบีคือลบีอยู่กับซาบักกลุ่มหนึง่งแล้วก็มีคนคนนึงเดินผ่านท่านไปท่านลบีก็ถามคนที่อยู่แถวนั้นนะครับบอกว่าไงครับมาระ อ, อยู่กาฟีหนะ้าเดน คุณว่าคนที่ผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าไงครับมินอัชรอฟินเนสคนนี้เป็นคนที่มีเกียรติที่สุดและในกลุ่มผู้คนเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ซ oh าบะที่อยู่กับมีมีบอกไงครับคนที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเป็น เป็นคนที่มีเกียรติมากๆเลยนบีถ้าเกิดเขาไปขอใครนิดได้แต่งแน่นอนแล้วถ้าเขาออกหน้าแทนใครนะคือเรื่องนั้นผ่านหมดเลยคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่น่านรับหน้าถือตาเป็นคนที่มีเกียรติยศพอซาบตอบปุ๊บท่านนบีมัส ร, สราสัลมก็ก็งเงียบก็ไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากนั้นมีคนอีกคนยังเดินผ่านท่านนบีไปเช่นเดียวกันคนแรกผ่านไปแล้วนะคนที่สองเดินผ่านไป ท่นานอับดุลเบี๋ยมสลุลต่านบอกก็ถามต่อครับแล้วคุณคิดว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะคนที่สองในที่เพิ่งผ่านไปคุณคิดว่าเป็นยังไงซาบะที่อยู่ด้วยก็บอกว่าไงครับคนที่ผ่านไปเนี่ยเขาเป็นคนยากไร้ชาวมุสลิม น, นะก็คือก็เป็นคนดีแต่เขาเป็นคนยากจนนะถ้าเขาไปสู่ขอเนี่ยก็คงไม่มีใครยกให้ถ้าเขาไปออกหน้าแทนใครเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะเห็นใจเขา คือถ้าพูดอะไรก็คงไม่มีใครฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องตามทันใช่ไหมเหตุการณ์เนี่ยท่านอาบิวซอยู่กับซอบามีคนเดินผ่านท่านอบีสองคนคนแรกผ่านไปปุ๊บท่านอาบีก็ถามซอบาว่าคุณคิดว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างซอบาก็บอกโอ้คนนี้เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีเกียรติยศมีฐานันดรเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดลองไปสู่ขอใครได้แต่งแน่นอนไปขอช่วยใครได้ความสเน็จแน่นอน ท่านอบดเบียงียบใช่ไหมครับคนที่สองมาท่านอบีก็ถามคําถามเดิมแล้วคนนี้เหล่าคุณว่ายังไงซอล ก, ก็บอกคนเนี่ยเขาเป็นคนยากไรนะเป็นคนยากจนเนาะเป็นมุสลิมเป็นคนมุสลิมที่ยากจนถ้าขอก็คงคงไม่มีใครยกลูกให้เพราะคนจนไงใช่ไหมครับคนยากจนแล้วก็คือถ้าจะคงไม่มีใครไปฟังไม่มีใครแค่อะไรเขาเท่าไหร่นี่คือธรรมชาตินี่พี่น้องธรรมชาติจริงๆท่านอับดุลเบียร์มุสลิมบอกว่าไงครับ ค่คอยรุนมินมิลอิลอรดมิสล่แคต่คนที่สองที่เพิ่งผ่านไปเนะี่ยดีกว่าคนแรกต่อให้คนแรกมีคนแบบคนแรกเนะี่ยเต็มผืนแผดินก็ตามคนที่เพิ่งผ่านไปคนที่สองเพียงแค่คนเดียวเนะี่ยดีกว่าคนแรกอย่างมาหาศาลเทียบกันไห้กิดอันนี้นะึกด้วยคอยมาบุคอลเรียครับนี่คือบรรทัด ฐ, ฐานที่มุสซิมเราต้องมองให้เห็นนะ ถ้าเรายังไปเห็นแต่ว่าต้องเป็นคนใหญ่คนโตต้องเป็นระดับหัวหน้าต้องเป็นระดับประธานต้องเป็นระดับนั่นต้องเป็นระดับนี่เราถึงจะให้เกียรติเราถึงจะถือว่าเขาเป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมอันนี้คือเรายังสอบตกอยู่ตามเดิก็ตามที่เรายังไม่เห็นว่าคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีฐานะแต่ว่าเขาทําตัวแบบไม่สร้างปัญหากับใครเขาเป็นคนบาปที่พยายามทําตัวให้อัลลอฮ์รักเขาเป็นคนที่ไม่ร้องขอใครเป็นคนที่ไม่อู้อัดใคร ถ้าเรายังไม่เห็นว่าใครเป็นที่รักของอัอฮมากกว่าถ้าเรายังไม่ได้ใช้บรรทัศฐานของอาคคิร์ในการตัดสินเราก็ยังสอบตกกับพี่น้องเราก็ยังสอบตกนี่ท่านอบีสสรรมุสซิมซามสอนาบะให้รู้ว่าที่พวกคุณมองเนี่ยถ้าคุณมองถึงเอาคนเป็นเกณฑ์ว่าคนนี้เป็นคนที่ใครๆก่อรักคนนี้เป็นคนที่ใครๆก็อยากยกลูกสาวให้คนนี้เป็นเอ่อใครที่แบบว่าใครๆเห็นก็แน่ใจพร้อม ให้ความช่วยเหลือถ้าคุณคิดว่าดีกว่าคนที่ไร้คุณค่าในสายตามนุษย์เนี่ยคุณอาจจะผิดนะเพราะคนที่ไร้ค่าในสายตาของมนุษย์เขาอาจจะมีคุณค่ามหาศาลในสายตาของมวลรับวานวัตลาก็เป็นไปได้เพราะพวกเราเป็นผู้ตัดสินไงไม่ใช่เราไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินเหมือนกับคนในสังคมปัจจุบันพี่น้องอันนี้เราก็ต้องเชื่อกันปลูกฝังให้กับลูกหลานเวลาลูกหลานเราเนี่ยบางที เขาบอกเขาไม่กล้าเข้าสังคมบางทีเขาบอกเขาโดนเพื mm. idad, ่อนล้อโดนเพื่อนตัดสินโดนเพื่อนอย่างไง้โดนเพื่อนนี้เขาอยากให้เพื่อนยอมรับหลังมิมบางคนบอกว่าคือถ้าให้แต่งปิดนิ้ยากเนี่ยเขาไม่กล้าไปโรงเรียนเขาอายแต่ถ้าเกิดให้แต่งตัวโป๊โปให้แต่งหน้าจัดจัดไปโรงเรียนเขามีความสุขเขาภูมิใจมันกับตาลปัดไหมพี่น้องกับตาลปัดไหมจริงจริงมุสิมต้องมองยังไงมุสิมต้องมองว่าการแต่งกายเปิดเอาระอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่การที่ได้ปกปิดมิชชั่แล้วไปมันคือความภูมิใจนี่คือสิ่งที่คนที่เชื่อในอาเครอต้องมองถูกไหมครับเพราะเราเชื่อในอาเครอตเราจึงมองว่าอะไรทําให้อาเครอตดีนั่นคือสิ่งที่ดีอะไรทําให้อาเครอตไม่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีแต่บรรทัดฐานที่ว่าเราถูกค่านิยมปลูกฝังบางคนไอายไม่กล้าทําความดีเพราะกลัวโดนลอ้อกลัวโดนว่า อันนี้เพราะเขายังยึดติดว่าการตัดสินของเขาขึ้นอยู่กับการตัดสินของคนอื่นไม่ใช่ครับคนแต่ละคนต้องมีการตัดสินของตัวเองและถูกปลูกฝังว่าเราต้องให้เกียรติการตัดสินของคนแต่ละคนนี่แหละคือการให้เกียรติเริ่มจากการให้เกียรติการตัดสินใจของตัวเราเองก่อนเมื่อเราเลือกว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อในโลกหน้าเราก็พร้อมจะทำตัวแบบผู้ที่เชื่อว่าโลกหน้านั้นมีจริง ส่วนถ้าใครไม่เชื่อว่ามีโรคหนาเขาจะทำตัวแบบเชื่อว่ามีแต่โรคนี้มันก็เป็นสิทธ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหตุการณ์เนี่ยท่านอบับดุลสลารรมไม่ได้สอนซอบาบะแค่ครั้งเดียวนะพี่น้องหลายครั้งอีกสายราย ง, งานหนึ่งครับอีกสายราย ง, งานหนึ่งในบันทึกไฟล์มัมอามัดอันนี้จากท่านอาบูซารท่านอบูซาร์บอกครั้งหนึ่งอยู่ในมัสยิดกันอยู่ในมสัสยิดกัน ท่านอับูซัดอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอัลลอฮ์สุลแลมท่านนบีก็ได้บอกว่ายาอบบาซัดอบูซัดเนี่ยลองชายตามองดูสิใครในที่เนี่ยที่คุณเห็นว่าเขาน่ะเป็นคนที่สูงส่งที่สุดในที่นี้แน่นอนไม่รวมท่านนบมีมุสลลออัลของอัลลอฮ์สุลแลมก็ถามท่านอับูซัดครับบอกว่าดูสิว่าใครเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีที่สุดท่านอบูซัด ก, ก็มองไปครับแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งครับ แล้วเขาก็บอกว่าน่าจะคนนี้หรือเปล่าเดราสำรวจว่าคือคนนี้ดูเนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะดูสูงส่งที่สุดแล้วในหมู่พวกเราเขาว่าสูงส่งก็คือก็นั่นแหละครับตามที่เราเข้าใจเกียรติยศมีอํานาจมีทรัพย์สินมีอะไรเป็นคนดีด้วยเนี่แหละอยู่ใมัสิดทีนี้ครับท่านอบีมุสลิมบอกว่าไงต่อครับอาบูซาดลองดูอีกทีสิแล้วดูสิว่าในที่เนี่ยถ้าที่คุณดูเนี่ยใครเป็นคนที่ดูต่ํำต้อยที่สุดในนี้ต่ํำต้อยที่สุดในมัสิด แน่นอนครับสายตาก็ต้องดูคนที่ยากจนไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะความเข้าใจของเราคือยากจนเท่ากับต่ำต้อยนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจกันยากจนเท่ากับต่ำต้อยไม่มีใครยากจนท่านบูซัดก็มองไปดูครับท่านอบูซัดก็บอกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ดูยากไรเป็นคนที่ดูไม่ค่อยมีอะไรก็เวลาละหมาดปุ๊บก็มาละหมาดแบบเหนียมอายมีความละอายมีอะไรอย้ น, นท่านอบูซัดก็บอกว่าคนนี้หรือเปล่าครับยาละสุลห ซึ่งคนที่ท่านอบูซัดจะบอกว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยนะผู้คนเป็นคนที่มีอัคลัก์ที่ดีเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีมีตัวตนที่งดงามท่านอับดุลลาะซมบอกว่าไงครับว่าลดีนับีบยดีละฮาอัฟตะลอินดัลลอฮ์มลกิยามินกรอบิลอรมิสล่านขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในมือของพระองค์ท่านบดะบกราบานแบบนี้ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในมือของพระองค์ในวันเกียรมะณที่อัลลอฮ์ ชายที่ต่ําต้อยที่มีอัคารลักษณ์ที่ดีคนนี้ดีกว่าชายอีกคนหนึ่งที่คุณเห็นเนี่ยต่อให้อีกคนหนึ่งจะมีเต็มผืนแผ่นดินก็ตามคือเทียบกันไม่ติดเลยต่อให้มีเป็นล้านคนก็ตามเทียบคนเดียวที่เป็นคนดีคนนี้ไม่ได้นี่คือมาตรฐานน่ยพี่น้องอันนี้คือมุมมองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเริ่มอ่ะเราต้องเริ่มถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาในวัน เสิ้นโลกนี่คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้พี่น้องทํายังไงให้เรานั้นมีมุมมองเหมือนกับผู้ที่เชื่อมั่นว่ามีโลกหน้าขั้นตอนแรกก็คือต้องเริ่มฝึกกับตัวเราเองต้องใช้บรรทัดฐานของโลกหน้ามาตัดสินต้องฝึกเรื่องนี้ต้องฝึกพี่น้องเพราะว่าหลายเรื่องเรายังไม่เข้าใจหลายเรื่องอยังไม่เก็ตเหมือนกับที่ท่านเบียสซามก็เทรนฝึกสหาบาสจนบรรดาสาบาสเข้าใจเราก็ต้องฝึกใจตัวเอง เวลาเจออะไรมาประสบกับใจเราปุ๊บเจอการสูญเสียเจอความเศร้าคนที่เรารักจากเราไปเราต้องฝึกตัเองให้ได้ว่าผู้ที่เชื่อว่ามีโรคหน้าเขาจะมองอยังไงเขาจะคิดยังไงเขาจะพูดอย่างไรเขาจะปฏิบัติอย่างไรต้องเริ่มฝึกตลอดเวลาพอมีอาหารปุ๊บสาหรับคนที่เชื่อมีโรคหน้าเขาควรจะทํำยังไงมองอยังไงคิดอย่างไรทําอย่างไรพอจะทํางานพอเจอคน พอเจอคนดา่าพอเจอคนชมเราต้องย้ำในหัวใจเราว่าสำหรับผู้ที่เชื่อว่ามีโลกหน้าเนี่ยเขาจะคิดกับสิ่งเหล่านั้นยังไงบ้างถ้าฝึกค่อยคฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วเราก็จะเป็นคนที่เชื่อว่ามีโลกหน้าอย่างแท้จริงทั้งด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับคำพูดด้วยกับการมองเห็นด้วยกับการฟังแล้วก็ด้วยกับพฤติกรรมของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องไปกันให้ถึงพี่น้อง ไม่ใช่เพียงแต่บอกด้วยกับปากว่าฉันเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงฉันเชื่อว่าสวรรค์มีฉันเชื่อว่านรกมีอันนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคือด้วยกับปากมันยังมีใจมีตามีหูยังมีการพฤติกรรมที่เราต้องทำให้ได้ครับพี่น้องตรงนี้วอร์อาเคโรตุคอยรูอัปกรณ์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำไม่ได้ก็คือโลกหน้าเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คาวรตลอดไปจริง ไปนะครับกุญแจ3ามดอกเนี่ยวันนี้ฝากไว้ก่อนดอกนี้การที่เราจะทําตัวให้เหมือนกับผู้ที่เชื่อว่าโรคหน้ามีจริงคือการที่เราต้องพยายามตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราโดยใช้บรรทัดฐานโดยใช้มาตรฐานของโลกหน้าเป็นหลักไม่ใช่มาตรฐานของโลกนี้ทําให้ได้แล้วพี่น้องจะมีความสุขตั้งแต่ดุนยาพี่น้องถ้าทําได้เราจะมีความสุขตั้งแต่ดุนยาไม่ต้องรอถึงอาคียร์ สุขตั้งแต่ดุนญยญาผู้ลอให้โบนัสตั้งแต่ดุนยาเหมือนกับที่บรรดาซาวะบาได้เหมือนกับบรรดาที่นบีได้เหมือนกับบรรดาที่คนดีๆที่ผู้ลอได้ให้เขาได้รับความสุขตั้งแต่ในดุนยาต่อให้เขาจะทุกต่อให้เขาจะจนต่อให้เขาจะรวยต่อให้เขาจะหล่อสวยต่อให้เขาจะไม่หล่อไม่สวยต่อให้เขาจะเตี้ยต่อให้เขาจะสูงต่อให้เขาจะเป็นยังไงก็ตามบุคคลที่เชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริง แล้วเขาทํามันได้จริงๆในภาคปฏิบัติเขาเอาโลกหน้ามาเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเขาจะเป็นบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลกดุนยาตั้งแต่ในดุนยาแล้วก็ความสุขที่แท้ จ, จริงจะรอพวกเขาอยู่ในโลกหน้าขออวยาจากผู้ลอสสุบฮะตุลาครับให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็เชื่อมั่นว่าโลกหน้ามีจริงด้วยกับคําพูดด้วยกับความคิดด้วยกับพฤติกรรมของพวกเราทุกคนครับผม ขอทักทายพี่น้องที่รักครับุนัาาสอาลสามมาก็วันคุณสลามอุตล้อบอเบลกาตูพี่วันน cool. ี้ก็สลามานะครับก็วันคุณสลามอุตล้อบอเบลกาตูคุณสวยครับสลามาก็วันคุณสลามอุตล้อบอเบลกาตูครับคุณฮุเซนครับชาฟากะละครับขอละให้รักษาเพราะพวกเรารับดูอะนะครับเมื่อกี้ผมยังมีอาการยังคิดว่าจะไอคิดว่าน่าจะพูดไม่จบนะครับแต่ก็ได้จนจบขอบคุณดูอะครับแล้วก็กับพี่น้องทุกท่านที่ไม่ได้บอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของดูอาขอบคุณ สำหรับทุกที่า์ครับคุณสวยอลัลฮัมดุยละนะครับคุณนาสาัสไซดักก็อามรมีแล้วก็คุณสวัยอาร์มนสาหรับดัที่ขอมานะครับผมก็จซาคูมุบลอหุคอยรอนครับผมคุณโคเดินธรรมดาฝากคาถามมานะครับสลามาไวคุณสลาโมตุลลกตู้อยากถามว่าสุนัตอิสลากับละหมัดสุนั ต, ต, นต ด, ดูฮาเนี่ยเหมือนกันไหมก็ในวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกันไปบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกันนะครับก็คือละหมาดสุนัต ส, สองสองรากาตอนสายเพียงแต่บางท่านอาจจะมองว่าอดูฮาร์กับอิชลอกเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างหนึ่งคือเราละหมาดฟาเรีร่เสร็จปุ๊บเราไปทำธุระอะไรของเราถึงเวลาปุ๊บเรามาละหมาดอันนี้เรียกว่าดูฮาร์ในขณะที่ถ้าเกิดเรานั่งหลังละหมาดฟาเรีร่เลยนะครับละหมาดฟาเรีร่เสร็จไม่ไปไหนเลยนั่งซิกเกตถุงละล้อซุปเปอร์มาตายนะครับจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดดูฮาแล้วเราละหมาดเนี่ยบางท่านก็เรียกว่านี่เป็นละหมาดอิชล็ เอาจริงๆอย่างที่ผมบอกครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันจริงๆก็คือไม่ต่างอิชรอหก็คือตอนรวยที่ขึ้นดูฮาก็คือยามสายซึ่งก็คือเวลาละหมาดเดียวกันเพียงแต่เนื้อใชาการบางท่านอาจจะใช้เรียกจำเพาะเจ้าจงที่แตกต่างการบอกบอกให้รู้ว่าละหมาดนึงเนี่ยเป็นละหมาดที่ละหมาดอย่างเดียวกับอีกอันหนึ่งนี่คือมีการรำลึกถึงผู้ร้องมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็วอลลุ่นอาละอาลำครับผมคุณเชล่าบอกลับชมต่อนะครับจากไป พยากะบี่ครับเจสากิลาขลังครับคุณโซลนีครับชัดเจนก็ขอบคุณสอบดูอาด้วยนะครับด้วยกับพวกเราทุกคนมาด้วยก็อาเมนครับแล้วก็คุณเชล็ะก็เจบากอลลอขอบคุณมากมากครับเจสากูมุลลอหุอยขลัครับทุกความป่วยไข่นะครับก็มาจากพระองค์ลอความเมตตาการรักษามาจากพระองค์การตอบแทนก็มาจากพระองค์ใครที่พระองค์ล้อสุบานตราได้ทดสอบเขาด้วยกับบวทดสอบใดก็ตามพี่น้องที่รัก ขอให้เราเชื่อมั่นว่านั่นคือบททดสอบที่มาด้วยกับความรักจากผววัวลอสซูบาฮันอัลลอฮ์หน้าที่ของเรารับมือกับบททดสอบต่างๆให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถแล้วก็อย่าลืมดูอาแล้วก็เชื่อมัน่นที่สําคัญครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือฝึกฝนตัวเองให้ใช้บรรทัดฐานของอาร์คิร์ลในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดสินคนเอามาตรฐานอาร์คิร์ลมาตัดสินจะตัดสินพฤติกรรม เอามาตรฐานอะคีรอมาตัดสินจะตัดสินว่าควรจะสุขหรือควรจะทุกข์ก็เอามาตรฐานอะคีรอมาตัดสินแล้วถ้าใครก็ตามที่ทําได้อย่างแท้จริงเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นครับอินชาอัลลอฮ์ครับอาคูลูกาลีฮะดะวาสักฟิรุบะฮ์ลิวาลกุมบริซัทมุสลิมีนาเมนคุลิสักิรุอินหูอัลกัฟุอัลฮิมสุบฮาร์กอฮ์ไม่ขักะอัลฮ์ฮ์ดูลาอิลาลนะสักฟิรตุบุไลซลาอัมบิลุตุลลอฮวะบ